ขอโอกาสท่านพระเทรานุเถ ร, ระพระภิกษุสมมเณรวัดประยุรวงศาวาสทุกรูปขอเจริญพรท่านมานัสประจวบจินดาภูมิในการเขตพนบุรี และท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันที่วัดประยุรวงศาวาสบวรวิหารจัดให้มีการประกอบพิธีในช่วงเทศกาลวันสงการานต์เป็นวันสุดท้ายและถือโอกาสนี้ได้ ประกอบพิธีสงนำพระอันเป็นช่วงสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งตามคติของไทยแต่โบราณเมื่อวานนี้คือวันที่15เมษายนเป็นวันทหล่มศกวันขึ้นปีใหม่ แบบไทยๆแต่โบราณเจนถือเป็นโอกาสที่ทางวัดได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่แบบไทยร่วมกับชุมชนย่านกะดีจีนตั้งแต่วันที่หกเมษายน และมาเข้มข้นขึ้นในวันที่ 13, 14, 15โดยในสามวันนี้ร่วมกับวัดอื่นๆอีกสามวัดรวมเป็นสี่วัดและท่าเรืออีกสี่ท่าพาคนมานมัสการส่งน้ำพระไหวพระ ตั้งแต่ท่าที่เอเชียทิกลงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าท่ายอดพิมานท่ามหาราชวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณวัดกัลยาณมิตรและก็วัดประยระวงสาวาดทำงานเป็นเครือข่าย เรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษว่า Water Festival เทศากาลน้ำลื่นเรินเถลิศศกโดยที่บริษัทไทยเบบริจํากัดคุณถาปณะสิริวัฒนพักดีได้เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนที่สำคัญ เกิดการทำงานร่วมกันเป็นสามประสานดังที่พวกในการเขตท่านได้กล่าวถึงก็คือบวรบ้านวัดและก็รัฐถนะรัฐะก็คือภาครัฐภาค ร, ราชการมาร่วมแรงแข่งขันร่วมด้วยช่วยกัน จัดงานสงการกันอย่างเข้มแข็งแม้จะเหน็ดจะเหนื่อยกันทุกฝ่ายโดยเฉพาะคณะสงฆ์วัดปะยุระวงสาวาทปักหลักต้อนรับญาติโยมอยู่ตรงนี้เป็นเวลาสิบวันถ้าให้ทำต่อก็คงจะแย่เอาพอดูอากาศก็ร้อน แต่เสียงไม่ยักไกแห้งนะพูดได้ทุกวันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทุกฝ่ายมาร่วมกันรวมทั้งชุมชนในย่านกระดีจีนหกชุมชนมาเป็นผู้ต้อนรับด้วยการจัดสินค้าเครื่องใช้มาจำหน่าย มีซุ้มที่จัดให้งดงามโดยที่ทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในย่านกะดีจีนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และทุกฝ่ายก็มีความตั้งใจแม้อากาศจะร้อนบางคนก็บอกว่าทำไมไม่จัด ตอนหัวค่ำต่อเนื่องไปด้วยอากาศกำลังเย็นสบายอาจจะต่อไปถึงสองทุ่มสามทุ่มก็มีเสียงเรียกร้องนะก็ปรารถตรงนี้ว่าเผื่อปีต่อไปเฉพาะที่วัดนี้ก็ได้เพราะพ่อค้าแม่ค้าไม่ยอมแพ้และอากาศเย็นลงหน่อย ก็อาจจะได้ดำเนินการให้เกิดการต่อเนื่องและเมื่อมาถึงตรงนี้เมื่อทุกฝ่ายได้มาร่วมกันอย่างนี้ในการจัดงานสกางกรานต์ก็ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะที่วัดนี้แห่งเดียวแต่เชื่อมโยงกับหลายๆวัดดังที่กล่าวมา เวลาทำความดีน่าจะมีเครือข่ายมากๆเพื่อให้เกิดพลังเวลาทำไม่ดีเขายังมีเครือข่ายมาเฟียเลยนะเป็นองค์กรข้ามชาติก็มีแล้วเวลาทำไมทำความดีจึงทำกันกลุ่มเดียววัดเดียวที่เดียวหรือคนเดียวมันไม่มีพลัง ทำกันทั่วประเทศทั่วโลกวัดไทยในต่างประเทศก็จัดงานสงกรานต์จัดประกวดเทพีสงกรานต์ด้วยซ้ำไปก็มีการรายงานข่าวอย่างนี้ด้วยรวมความว่าเวลาทำความดีมันจะต้องมีเครือข่ายมีพลังในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของยุคนี้เนื่องจากว่ายุคไทยแลนด์ 4.0 เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์เป็นเครือข่ายเป็นลักษณะเฉพาะในยุคสมัยนี้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงต้องมีเครือข่ายโดยต่างจากยุคไทยแลนด์ 1.0 ในยุคไทยแลนด์ 1.0 เป็นยุคกเกษตรกรรมประเทศไทยเน้นทำนาทำไร่รายได้จากการทำนาทำไร่เป็นตัวจับสำคัญในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ ในสมัยนั้นชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติก็ไม่ได้ทำเป็นเครือข่ายในยุคต่อมาไทยแลนด์สองจุดศูนเศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมเบาๆเล็กๆทอเสื้อผ้าทำรองเท้า และแปรรูปผลผ ล, ผลิตทางการเกษตรเป็นยุคไทยแลนด์ 2.0 ก็ต่างคนต่างทำ ม, มาในยุค 3.0 คคอย้อนไป30ปี20 30ปีจากปัจจุบันเนี่ยเราร่วมกับต่างประเทศมากขึ้นทุน จากต่างประเทศมาร่วมกับเราสร้างโรงงานผลิตสินค้าขนาดใหญ่เครื่องจักรขนาดใหญ่เช่นผลิตรถยนต์ส่งออกเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ขับเคลื่อนโดยทุนต่างชาติเป็นเครือข่ายใหญ่ คนไทยก็รับจ้างเขาทํางานในโรงงานแต่เวลาขายสินค้าได้กําไรนี่เป็นของเจ้าของเราเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานก็เกิดความคิดว่าทําไมเราไม่เป็นเจ้าของกิจการกันเองทําไมเราไม่หาทุนมา ผลิตและขายขายสินค้ากันเองโดยไม่ต้องพึ่งต่างประเทศมากนักก็เกิดแนวความคิดส่งเสริมให้มีการเริ่มกิจการต่างๆในยุคที่เรียกกันว่าไทยแลนด์ 4.0 ทำสินค้าและผลิตภัณฑ์ใดๆให้ใช้นวัตกรรม มีความคิดริเริ่มเป็นของเราเองส่งเสริมโอท็อส่งเสริมการทำอะไรที่มันมีการสร้างสรรค์จะได้มีมูลค่าเพิ่มและเนื่องจากยุคนี้เป็นยุคเชื่อมโยงกันด้วยระบบออนไลน์ทำอะไรก็อย่าทำตามลำพัง ต้องมีเครือข่ายเครือข่ายไปทั่วโลกโลกไร้พรมแดนในขณะที่เราเริ่มอย่างนี้ต่างประเทศที่มั่งคั่งเขาทำมาก่อนเขาส่งสินค้าส่งบริการส่งออกวัฒนธรรมมาประเทศเราจนเต็มไปหมด เราก็เห็นว่าเขาทำแล้วมันได้ผลก็อยากจะทำบ้างแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมันเต็มบ้านเต็มเมืองเราเราจะส่งไปสู้กับเขาเราก็ต้องมีความคิดสั้นสรรมีนวัตกรรมนี่เป็นสถานการณ์ในยุคปัจจุบันในยุค 4.0 ที่เราอยู่ ซึ่งทำตามลำพังนั้นเราสู้เขาไม่ได้เราจะต้องระดมความคิดคนไทยเข้าด้ยวยกันหลายหัวดีกว่าหัวเดียวและจับมือทำงานร่วมกันจึงจะมีทางออกที่เหมาะสมแต่เนื่องจากว่าประเทศของเราปัจจุบันเนี่ยมันผสมปนเปไปหมด จริงๆที่บอกว่าหนึ่งจดศนสองจุดศนมันไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังอยู่ในชนบทสามจุดศนสี่จุดศนอยู่ในเมืองจัดสงการที่วัดบ้านนอกเขาก็จัดแบบหนึ่งจุดศนสองจุดศแต่จัดสงการที่วัดประยูนมันจะต้องสามจุดศูนย์สี่จุดศวัดก็ต้องมีการปรับตัวให้ทัน ญาติโยมที่อยู่ในเมืองก็จะต้องปรับตัวให้ทันแต่การปรับตัวรับสิ่งใหม่มากเกินไปก็เป็นดาบสองคมลูกหลานของเรารับแต่สิ่งใหม่เข้ามาเขาก็ทิ้งของดีเก่าๆในสังคมเมืองผลก็คือเด็กรุ่นหลังอาจจะไม่รู้จัก สิ่งดีงามที่บรรพบุรุษสร้างไว้จึงจะต้องเดินไปข้างหน้าอย่างที่เรียกกันว่ามองไปข้างหลังด้วยเราไม่ได้เพียงแต่สแสวงหาสิ่งใหม่นวัต ก, กรรมเท่านั้นเราจึงต้องมองย้อนหลังอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามไปพร้อมๆกัน ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้วันหนึ่งข้างหน้าประเทศไทยก็จะไม่เหลืออะไรที่เป็นไทยเพราะว่าโลกที่ไร้พรมแดนโลกาภิวัตน์มันครอบงำพวกเราไปหมดโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เมื่อจะไปข้างหน้าก็อย่าไปเมาของใหม่ จนทอดทิ้งสิ่งดีงามเก่าแก่และคนรุ่นเก่าก็จะต่อต้านความเปลี่ยนแปลงต้องเปิดใจให้รับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆบ้างยอมรับนวัตรกรรมสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆอย่าไปกอดแต่ของเก่าหลับหูหลับตาโดยไม่นำมาปัดฝุ่นไม่พินิษผิเคราะห์ เราอย่าไปหลงของเต่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงและอย่าไปเมาของใหม่โดยทิ้งสิ่งดีนะดิงดีงามเก่เาๆเอาไว้วันสงการานต์วันนี้และที่ผ่านมา น, นี้เป็นเครื่องแสดงว่าเราไม่หลงของเต่าและไม่เมาของใหม่ ซึ่งควรจะส่งเสริมให้จัดกันทั่วประเทศมากๆขึ้นคำว่าไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่มาจากพุทธศาสะนะสุภาษิตที่ว่าปุรานางนาพินันไถยะนาเวขันติมะกุภเยก็แปลตรงตัวว่าอย่าหลงของเก่า ปุรานางนาพินันทายะบุคคลไม่ควรหลงยึดติดกับของเก่านะเวขันติมากุบพเยไม่ควรทำความเพาะพอใจชอบใจคือหลงกับของใหม่หรือเมากับของใหม่พระพุทธศาสนาสอนให้เราเดินสายกลาง ก็คือของเก่าเราก็รักษาไว้ในส่วนที่ดีงามของใหม่ที่มันเป็นประโยชน์เราก็รับได้ฉะนั้นในวันปีใหม่แบบไทยๆอะไรเป็นเรื่องเก่าในปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องดีอยากไปทิ้งทำต่อพัฒนาต่อสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ ที่จะทำให้ชีวิตและสันพมดีขึ้นเราก็ต้อนรับแต่อย่าไปรับร้อยเปอร์เซ็นตเลือกรับเลือกรักษาของเต่าเลือกรับของใหม่ในเทศาการปีใหม่แบบไทยๆในชีวิตส่วนตัวของเราไม่หลงของเต่าไม่เมาของใหม่ นั่นคือคติธรรมหรือสโลแกนประจําใจไม่ใช่เฉพาะในวันสงการานต์แต่ในการพัฒนาประเทศไทยด้วยเมื่อเราจะเข้าสู่ยุค 4.0 อะไรที่ดีในยุค 1.0 ต้องรักษาไว้อะไรที่ดีในยุค 2.0 3.0 เก็บไว้แต่ที่ไม่ดีก็ทิ้งไป อะไรใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตจากต่างประเทศเราเลือกรับอย่าไปรับทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่จากต่างประเทศเนี่ยรับได้ในการสื่อสารเราจะใช้เครื่องมือการสื่อสารเป็นวิทยุเป็นโทรทัศน์โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตใช้ไปเถิด แต่อย่ารับจนมาทำลายสิ่งดีงามที่เรามีเพราะไปหลงพกเพ้ิกับต่างชาติต่างประเทศซึ่งเราถ้าเราไม่ตั้งหลักตรงนี้ให้ดีจะเป็นภัยต่อการรับสิ่งที่ไม่ดีมาใส่ไว้ในจิตใจของเยาวชนของเราเราต้องตั้งหลัก ไม่ใช่บูชาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากของนอกเมืองนอกแบรนด์เนมทั้งหลายอะไรที่เราทำได้และมาเป็นของดีใช้เถอะแม้มันจะไม่ใช่ยี่ห้อแพงไม่ใช่แบรนด์เนมแต่เป็นประโยชน์ที่ใช้สอยเหมาะกับประเทศไทยเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบเราไม่ใช่อากาศหนาวขิมะตะก ก็ใช้ไปถ้าตั้งหลักอย่างนี้ประเทศพัฒนาไปได้ในสมัยโบราณบางประเทศเขาหลงของเต่าปิดประเทศเลยนะไม่รับสิ่งใหม่วิทยาการใหม่เทคโนโลยีใหม่แม้กระทั่งคนต่างชาติก็ไม่รับให้อยู่ในประเทศ เป็นประเทศเป็นร้อยปีจนล้าหลังในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจนวันหนึ่งตื่นตะลึงขึ้นมาเพราะตัวเองเป็นกบในกะลานึกว่าประเทศตัวเองเจริญที่สุดไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครออกเขาทำได้ เขาหลงอยู่กับอดีตเขาปิดประเทศได้เพราะประเทศเขาเป็นเกาะประเทศที่เป็นเกาะไม่สูงสิงกับใครแล้วพัฒนาตัวเองเป็นหลายร้อยปีอยู่ข้างในนั่นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งเรือปืนจากสหรัฐเอาปืนใหญ่มาจอ่อบังคับให้เปิดประเทศ รับอารยธรรมตะวันตกรับเทคโนโลยีฝรั่งตัวเองมีตดาบสู้เขาไม่ได้ก็เลยต้องเปิดประเทศดาบที่ว่านั้นคือซามูไรญี่ปุ่นปิดประเทศหลายร้อยปีนะขับไล่คนญี่ปุ่นหรือคนต่างชาติ ที่ไม่นับถือศาสนาญี่ปุ่นคือชินโตและศาสนาพุทธออกนอกประเทศหนึ่งในผู้ถูกขับให้ออกนอกประเทศในยุคนั้นคือพ่อของนางทองกีหมาเท้าทองกีบมาเนี่ยแม่เป็นคนเชื้อสายญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นทองกีมาจึงมีเลือดเนื้อเชื้อไข่ญี่ปุ่นครึ่งหนึ่งเป็นแขกเป็นฝรั่งผสมกันอีกครึ่งหนึ่งบรรพบุปปรุษในฝ่ายแม่ของทองกีมาเนี่ยโดนในประเทศออกจากญี่ปุ่นเพราะนับถือศาสนาอิสลามหรื อ, อศาสนาคริสต์ในฝ่ายพ่อนับถืออิสลาม ญี่ปุ่นขับออกหมดในสมัยกรุงศรีอยุธยายุคนั้นสามร้อยปีมาแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยช่วงนั้นต้อนรับหมดต่างกับญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นปิดประเทศในสมัยพระนารายณ์เมื่อสามร้อยกว่าปีต้อนรับต่างชาติ ต้อนรับเทคโนโลยีใหม่ๆญี่ปุ่นอยู่มาอย่างปิดประเทศหลายร้อยปีและคิดว่าตัวเองจเจริญจนกระทั่งเรือปืนสหรัฐเอาปืนใหญ่มาจอให้เปิดประเทศดาบซามูไรสู้ไม่ได้ก็เปิดประเทศ ในยุคล่าอานานิคมญี่ปุ่นจึงรู้ว่าตัวเองไม่ได้พัฒนาทางเทคโนโลยีสู้ตะวันตกไม่ได้จึงมีการปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังในสายไหมจักรพรรดิเมจิซึ่งตรงกับราัชากาลที่ห้าของเราองค์จักรพรรดิเมจิ รับเทคโนโลยีฝรั่งไปศึกษาส่งคณะไปศึกษารัฐธรรมนูญฝรั่งวิธีการปกครองของเขาทำให้คนญี่ปุ่นหัวโบราณตื่นตระหนกต่อต้านไยหนึ่งต่อต้านของใหม่กอดอยู่กับของเกา่าายหนึ่งหลงไหลกับของใหม่ ลืมของเก่าองค์จั ก, กรพรรดิญี่ปุ่นจึงออกนโยบายที่ประผสมผสานเป็นนโยบายที่ญี่ปุ่นใช้มาจนทุกวันนี้เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะโยบายนี้เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าวาคอนโยไซวาคอนโยไซเป็นการตั้งหลัก รับอารยาธรรมต่างชาติของญี่ปุ่นแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Japanese Spirit Western Technology จิตวิญญาณ ญ, ญี่ปุ่นเทคโนโลยีฝรั่งระบบการศึกษาอาจจะเป็นแบบฝรั่งแต่เรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่นั้นมาเราจึงเห็นว่าพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่ได้ด้อยกว่าตะวันตกโดยเฉพาะเรื่องโรบอทคุ่นยนต์เนี่คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเอามาใช้ในโรงงานสมองพัฒนาเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีล้ำหน้า แต่คนญี่ปุ่นพูดภ า, าษาติดไม่ค่ยได้แปลกไหมท่านอาหารญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นศาสนาญี่ปุ่นแต่งตัวญี่ปุ่นแบบกิโมโนแต่เรื่องของเทคโนโลยีสินค้าไม่ได้ด้อยไปกว่าตะวันตกนี่คือความสาเร็จของญี่ปุ่น ที่ยึดหลักในจิตวิญญาณแบบประเทศของเขาและก็รับเอาเทคโนโลยีของฝรั่งมาอีกประเทศหนึ่งปิดประเทศเหมือนกันหนักกว่าเา่าทั้งหลงของใหม่เกินไปตอนแรกเนี่ยปิดประเทศไม่รับของใหม่แล้วก็โดนฝรั่งมา บีบให้เปิดประเทศในยุคเดียวกันก็คือประเทศจีนประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เป็นยักษ์หลับในเอเชียในสมัยพระนานสูสีไทเฮาชาติตวันตกบุกเข้ามาสู้ไม่ได้ยุคเดียวกับญี่ปุ่นนั่นแหละคนจีนก็ตื่นตรหนกเปลี่ยนประเทศ ขับไล่สถาบันห้องเต้รับเอาระบบสาธารณรัฐโดยสุญยเซนเป็นประธานาธิบดีคนแรกเท่านั้นยังไม่พอสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองรับเอาแนวคิดจากคารมาร์กสมาปกครองประเทศเรียกว่าระบบอคอมมิวนิสต์โดยเหมาเจ๋อตุง เปิดตำลาของคารมารกสทฤษฎีสังคมนิยมล้มของเก่าให้หมดมีการปฏิวัติวัฒนธรรมสิบปีนะภายใต้การชี้นำของเหมาเจ๋อตุงอันนี้เมาของใหม่นะทำลายวัฒนธรรมจีนที่ดีงามโดยอาศัยเยาวชนวัยรุ่น เรียกว่าเรสการ์ดเด็กนักศึกษานี่แหละซึ่งอยู่ในยุคที่หลายท่านนะที่นี้เนี่ยยังเป็นนักเรียนชั้นประถมกันอยู่เราก็จะได้เห็นภาพโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านจีนคอมมิวนสิสต์ว่าลูกๆเด็กๆ เ, เนี่ยไปแจ้งตำรวจมาจับพ่อแม่ ไม่มีความกตัญญูพ่อแม่ทำอะไรที่เป็นทุนนิยมสะสมทรัพย์สินล่ำรวยสายสืบไม่ใช่ใครหรอกเด็กๆนั่นแหละและเราก็บอกว่าคอมมินิสต์เนี่ยทำไมสอนให้ลูกอกตัญญูตรงกันข้ามกับเลื่อนของกวนอู เรื่องกัตันญูที่เรารู้มาในวัฒนธรรมจีนในช่วงนั้นเนี่ยเกิดการต่อต้านของเก่าอย่างรุนแรงได้ไปเยี่ยมที่วัดจีนในยุคนั้นเนี่ยพระถ้าใครไปนี่มันเข้าไปได้นะแต่ว่ารู้จักพระในยุคหลังๆวัดโดนทำลาย พระผู้ใหญ่โดนมาคับให้ศึกไปทำนาได้สัมภาษณ์พระผู้ใหญ่รูปหนึ่งอายุแปดสิบว่าตอนนั้นท่านถูกกระทำอย่างไรท่านก็นเล่าว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่แล้วเขาให้ศึกไปทำนาทำนาไม่ไหวนี่ฟังจากปากของหลวงปูอ่องนี้เนะ่ะ เพราะมหาจุลานำปริญญาิติมศักดิ์ไปถวายท่านในวันถวายปริญญากิติมศักดิ์เจนได้โอกาสสัมภาษณ์เป็นส่วนตัวท่านไปทำนาทำนาไม่ไหวญาติโยมซึ่งเป็นชาวบ้านเห็นใจหลวงปู่หลวงพ่อท่านแต่งชุดชาวนานี่แหละแต่ท่านโกรธชี้สาท่านบอกท่านไม่อยากตึก๊ ท่านก็ปฏิ ญ, ญาณเป็นพระแต่เขาก็ให้ทำนาชาวบ้านก็เลยมาช่วยผู้ควบคุมก็บอกว่ามันกินแรงเขาเลยส่งให้ไปอยู่ในป่าคนเดียวเป็นเจ้าหน้าที่รักษาป่าท่านก็เดินไปตามป่าทั้งหลายไปเจอวัดสมัยนั้นคำเพียพระศาสนาถูกเผาหมดท่านก็เก็บเอาไปซ่อนในป่า กลายเป็นว่าคำภีหลายชิ้นท่านเป็นผู้อนุรักษ์ไว้เมื่อหมดยุคเหมาเจ๋อตุงการปฏิวัติวัววฒนธ ร, รรมยุติกลับมาฟื้นฟูของเก่าท่านก็ได้กลับมาบวชและได้รับการยกย่องเป็นพระสงฆ์ชั้นแนวหน้าของจีน นี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งของการทําลายของเก่าอย่างสิ้นเชิงและก็ล้มเหลวทําอะไรไม่ได้สิ่งดีงามหายไปหมดจนในที่สุดผู้นําคนที่ชื่อว่าเติ้งเซี่ยวผิงกลับมามีอํานาจต่อจากเหมาเจ๋อตุงเติ้งเซี่ยวผิงบอกว่าไม่ว่าเก่าไม่ว่าใหม่ ถ้ามันเป็นประโยชน์รักษาไว้รับเอามาได้มีสโลแกนที่ติดหูคนในยุคนั้นว่าแมวไม่ว่าขาวหรือดำจับหนูได้เป็นใช้ได้แมวมันจะขาวหรือจะดำไม่สำคัญแต่ถ้ามันจับหนูเราใช้มัน ระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นแบบสังคมนิยมแบบทุนนิยมมันจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นทุนนิยมอะไรก็ได้ขอให้ประเทศจีนมีกินมีใช้เพราะฉะนั้นประเทศจีนหลังจากเติ้งเสี่ยวผิงมาถึงปัจจุบันของเก่าที่ดีฟื้นมาหมดของใหม่อย่างทุนนิยมแบบฝรั่ง เอาไปใช้ในระบบสังคมนิยมทำให้คนมีสิทธิ์ในทรัพย์สินผลิตสินค้าขายทั่วโลกจนเดี๋ยวนี้ประเทศจีนมีเศรษฐีมากมายซึ่งขัดกับหลักของคาร์มาร์กส์ว่าจะต้องเป็นชนกรรมอาชีพชนชั้นกรรมอาชีพแต่กลายเป็นว่าจีนรับระบบทุนนิยมเข้ามาเมื่อฮ่องกง โดนคืนถูกคืนจากอังกฤษให้จีนเมื่อ20ปีที่แล้วคนก็กลัวกันว่าถ้าฮ่องกงไปรวมกับจีนฮ่องกงต้องใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์ก็จะทำให้เศรษฐกิจล่มสลายแต่เอาเข้าจริงพอไปรวมกันระบบทุนนิยมในฮ่องกงก็ยังอยู่ แต่ขึ้นอยู่แต่การปกครองขึ้นอยู่กับประเทศจีนจึงทำให้ประเทศจีนปัจจุบันเนี่ยเรียกว่า one nation two systems ประเทศหนึ่งเดียวแต่ว่ามีระบบเศรษฐกิจสองระบบระบบสังคมนิยมกับระบบทุนนิยมที่ฮ่องกองที่มาเกา๊าและประเทศจีนปัจจุบันเนี่ย รับเทคโนโลยีฝรั่งเอาไปใช้จนเป็นยุค 4.0 เหมือนของไทยนี่แหละ 4.0 ยังไงไปเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยที่คนไทยไปเปิดแห่งแรกในจีนเมื่อสิบวันที่แล้วปรากฏว่าในมหาวิทยาลัยแห่งนั้นไม่ต้องถือสตังค์นะ นักศึกษาไม่ต้องมีเงินใช้บัตรใบเดียวเนี่ยจ่ายค่าเทอมซื้อของและถ้าอยากซื้อของจากท่านนอกละ่ะนอกมหาวิทยาลัยเขาก็มีห้องรับของเป็นห้องโล่งๆกว้างๆไม่มีอะไรเลยมีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวแล้วถามว่านี่มันห้องอะไร เขาบอกว่าห้องโลจิสติกขนส่งสินค้าจากที่ไหนไปที่ไหนเขาบอกว่านักศึกษาหลายพันคนในมหาวิทยาลัยเนี่ยอยากซื้อสินค้านอกมหาวิทยาลัยก็ซื้อทางออนไลน์จ่ายเงินทางออนไลน์แล้วบริษัทเขาก็มาส่งที่มหาวิทยาลัยโดยมาส่งที่ห้องนี้นั่นแหละนักศึกษาก็เพียงแต่ เอาโทรศัพท์เนี่ยมาแทบเข้าเดียกันว่ามันตรงกันก็ยกของไปได้เจ้าหน้าที่ก็ลงข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ตกลงไม่มีการใช้เงินในวิถีชีวิตอยากได้สินค้าอะไรก็สั่งทางออนไลน์เท่านั้นเป็นวิถีชีวิตที่ทําได้ไม่ยากในจีนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเทคโนโลยีเขาราคาถูก โทรศัพท์เขาไม่ได้เครื่องละสี่0มื่นสามื่นเขาผลิตเองเยยะห้อจีน โ, โทรศัพท์วงจรปิดอะไรต่างๆผลิตเองหมดแม้กระทั่งรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดเทรนรับเทคโนโลยีมาจากญี่ปุน่นจากเยอรมันจีนมาศึกษามาทำเองลงทุนเองราคาถูกมาขายให้ประเทศไทยเนี่ย ไทยไม่ได้ซื้อจากญี่ปุ่นไม่ได้ซื้อจากเยอรมันซื้อรถไฟความเร็วสูงจากจีนที่จีนไปซื้อจากญี่ปุ่นจากเยอรมันมาทําเองแต่ราคาถูกเราก็จะในยุคไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยเราจะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปสนามบินอูตะเภาสายหนึ่งไปหัวหินอีกสายหนึ่ง และจะมีรถไฟความเร็วสูงไปเชื่อมที่เวียงจันทร์เข้าไปในคุณหมิงจีนทางนั้นก็หมายความว่าจีนนั้นใช้เทคโนโลยีตะวันตกแต่จิตวิญญาณของจีนวัฒนธรรมจีนคำถามประเทศไทยเรามาถึงยุค 4.0 เราพูดแต่เรื่องเดียว 4.0 เทคโนโลยีฝรั่งแต่เราไม่ได้ย้ำจิตวิญญาณแบบไทยวัฒนธรรมไทยมันจะหายไปถ้าเราไม่พูดกันตอนนี้ที่ผ่านมามันก็ช้าไปพอสมควรแล้วและมันจะหนักยิ่งขึ้นถ้าเราทอดทิ้งของเก่าเพราะเมาของใหม่การฉลองวันสงการานต์ ที่มาส่งเสริมกันตอนนี้มันก็อยู่ในเรื่องนี้นั่นแหละคืออย่าไปทิ้งวันเก่าๆดีงามอย่างสงการานต์แต่ถ้าเราไม่ศึกษาให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่บอกว่าสงการานต์มันเป็นมาอย่างไรเราก็ทาศัจวะว่าเป็นพิธีในรุ่นของเราโดยไม่รู้ถึงแก่นถึงสาระถึงความสำคัญแล้วยุคต่อๆไปเนี่ยมันก็จะกลวงข้างใน ต้นไม้ที่กลวงข้างในมันโค่นง่ายวันสงการมันก็จึงสมัยของเราเนี่มันจึงไม่ได้มีการฉลองอยู่ร่วมกันใหญ่ๆโตๆก็วัดใครวัดมันเพราะเราไม่ได้บอกว่าสงการมันสำคัญอย่างไรบางคนถึงกับบอกว่าสงการมันเป็นเรื่องของพมา่าเพราะเป็นเรื่องจุลศักราชเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้จุลศักราชแล้ว เราใช้พุทธศักราชปีใหม่เริ่มในวันที่หนึ่งมกราคมยังจะมาฉลองกันในเดือนเมษายนได้อย่างไรเพราะพุทธศักราชที่เราใช้ไม่ได้บอกว่าขึ้นปีใหม่ในวันที่สิบห้าเมษายนถ้าขึ้นปีใหม่ในวันที่สิบห้าเมษายนเราก็ต้องเปลี่ยนพศออใหม่สิ แค่พูดแค่นี้เด็กรุ่นหลังก็อาจจะเห็นด้วยและก็ไม่เห็นความสำคัญของวันสงการานต์แต่จริงๆแล้วเรื่องของสักราชใหม่วันสงการานต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของพมา่าเพียงแต่ว่าพม่าม า, มาให้เราใช้เมื่อบุรเรงนองเข้ามา ยึดกลุ่มสีอายุทยาศักรารที่พมา่าให้เอามาใช้เนี่ยเรียกว่าจุลศักราชเราจึงบันทึกเหตุการณ์เนี่ยด้วยจุลศักราชจจสอและมาในยุคลัตะนะโกศิ์เราก็ยังใช้นะจอสออยู่ใครยังไม่รู้เรื่องนี้โปรดเข้าไปในพิพิธภัณฑ์พระหน้าเจดี JD เนี่ย พระพิสันพระประยูนบรรณาคารเนี่ยไปดูจารึกสิจารึกที่กระดานชนวนเนี่ยว่าทางวัดประยูนประจุหรือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อใดในจารึกเป็นกระดานชนวนเขียนเหมือนกับเด็กป .1 นนสมัยก่อนเนี่ยเขียนไว้ร้อยกว่าปีละ บอกว่าได้ได้จาฤกพระธรรมประจุพระเจดีเนี่ยจุลศักราลานี่ขึ้นก่อนนะจุลศักราษเท่าไรเท่าไรแล้วก็บอกว่าพุทธศาสนาล่วงแล้วได้สองพันสี่ร้อยห้าสิบเป็นส่วนอดีตและก็บอกว่าพุทธศาสนาสอง9ันห้าร้อยสี่สิบเก้าส่วนอนาคต บอกจอสอปเป็นหลักเพราะในสมัยนั้นยังใช้จุลศักราชอยู่ในสมัยรัชการที่4ที่5รัชการที่5เห็นท่าไม่ดีเรายังใช้จุลศักราชซึ่งขึ้นปีใหม่ในวันสงการานต์ให้มาใช้ร อ, อ่อรัตนโกสินทร์ศ ก, ศ ก, ศ ก, ศกศในสมัยรัชกรารที่5 แต่พอถึงรัชากาลที่หกเราเปลี่ยนเป็นพุทธศักราชแสดงว่าจุลศักราชเนี่ยเราใช้นานมากและจุลศักราชเปลี่ยนปีในวันสงการานตั้งแต่อายุธยามาจนรัตนโกสินทร์ตอนต้นฉลองปีใหม่กันช่วงนี้เรามาฉลองปีใหม่กันเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ย สองสี่แปดสี่เยไอ้สองสี่เจ็ดห้ามาจนถึงสองสี่แปสี่เนี่ยเราเราเน้นในเรื่องหนีจนกระทั่งติดตลาดก่อนหน้านั้นปีใหม่ของเราเนี่ยเป็นสองการทันสิ้นเพราะเปลี่ยนสกราชด้วยจุลักรลาชเนี่ยในช่วงนั้นเหตุที่เปลี่ยนก็เพราะเราคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพม่ามาให้เราใช้ มันจะงมีความพยายามที่จะลบไปอีกแต่ไม่ได้ศึกษาให้ดีว่าจุลสักราชเนี่ยเริ่มต้นเมื่อไหร่มันเริ่มต้นก่อนมีประเทศพมา่าอยู่ในโลกนี้มันจะเป็นของพมา่าไปได้อย่างไรเมื่อเราศึกษาไปถึงแก่นตรงนั้นเนี่ยถามว่าจุลสักราชเริ่มใช้ปีแรกเมื่อใด ตอบว่าใช้ปีแรกเมื่อปีพุทธศักราช1181 1181นี่คือจอสอนหนึ่งแล้วประเทศธรม่าตั้งประเทศเมื่อใดต้องถามว่าอาณาจักรแรกของธรม่าในปัจจุบันนี้คืออาณาจักรอะไร เหมือนประเทศไทยเนี่ยอาณาจักรแรกคือสุขโขทยัยประมาณพศพันแปดร้อยพม่าตั้งอาณาจักรแรกของพมา่าชื่อว่าอาณาจากักรพุกามใครไปพม่าก็จะไปเห็นเจดีย์เยอะมากพุกามเนี่ยพระเจ้าอโนราธามังช่อเป็นผู้ตั้งพุกามราชวงศ์เป็นราชธานี เมื่อพศพันหกร้อยหนึ่งพันหกร้อยก่อนสุขโขทย200ัยสองร้อยปีประเทศพมา่ามีอายุมากกว่าสุขโขทย200ัยสองร้อยปีแต่จุลศักราชเริ่มประมาณหนึ่งพันสองร้อยถ้าจำง่ายๆพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสเก็พันสองร้อยก่อนมีประเทศพม่าสี่ร้อยปีแล้วจะว่าเป็นของพมา่าได้อย่างไร ถ้าอย่างนั้นเมื่อพันสองร้อยปีดินแดนของพมา่ากับดินแดนที่ประเทศไทยเป็นอาณาจักรอะไรท่านอาณาจักรทวาราวดีมีเมืองหลวงอยู่ที่ไหนนคะรปฐมที่ถูกนี่จะต้องบอกว่านี่มันของไทยได้วยซ้ำไปนะไม่รู้ไปพูดกันอย่างไรจนกระทั่งในสมัยรัฐบาล ไอ้ที่เปลี่ยนแป ล, ปลงไปการบกครอมยัยไม่สนใจเรื่องนี้เลยฉะนั้นทวาราวดีเนี่ยนะในฝ่ายประเทศไทยมีเมืองหลวงอยู่ที่นครปฐมในฝ่ายพมา่าอาณาจากักรเขายาวมากมีเมืองหลวงอยู่ที่เมกตมะเนี่ยเมกลำเลิญและในยุคนี้แหละที่เกิดจุลศักรช แล้วทำไมเรียกว่าจุลศักราชแปลว่าสักราชเล็กเปลี่ยนมาจากมหาศักราชซึ่งเป็นสักราชใหญ่ไปใหญ่แล้วมหาศักราชศักราชใหญ่เนี่ยใช้มาก่อนจุลศักราชก่อน 1,181 มหาศักราชใครคิดขึ้นคิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ในสมัยพระเจ้ากนิสกะมหาราชพระเจ้ากนิสกามหาราชเป็นผู้กําหนดให้มีมหาสักรารในพศ621ใช้มาเกือบ 2,000 ปีพระเจ้ากนิสกะมหาราชคือใครพูดสันส้นๆตรงนี้นะใครที่เป็นชาวพุทธ จะรู้จักพระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นกษัตริย์ชาวพุทธพศอสองร้อยเศษเศษทำให้เกิดการสักนาครั้งที่สามและทรงพุทธศาสนาไปลังกาพุทธศาสนาจารังกามาที่ประเทศไทยในพศหกร้อยเศษพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่ากนิสกะเป็นกษัตริย์ชาวพุทธเรียกว่ากนิสกะมหาราชทรงให้มีทรงอุปถัมภ์การศักนา ครั้งที่สี่ต่อจากพระเจ้าอาโศกและบัญญัติมหาสกรารขึ้นพระเจ้ากนิสกามหาราชให้จารึกพระไตรปิฎกเรียกว่านี้เป็นของนิกายสารวาสตวาทีสัพธติกะวาทีซึ่งต่อมาได้ขยายออกมาเป็นมหายานในยุคนี้แหละที่จริงมหายานก็อธิบาย ลบล้างสารวาสตาวาทีรวมความว่าพระเจ้ากนิสกะก็เป็นพุทธแล้วตั้งสักการมหาสักการต่อมาทวาราวดีไม่ชอบสักการอิเนเดียก็เปลี่ยนเป็นจุลสักการแต่มันก็ยังเกี่ยวข้องกับดินแดนแห่งนี้โดยถือเอาเดือนเมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ ในลังกาเขาก็ไม่ใช้มหาสกราชเพราะเขาเป็นพุทธในยุคเดียวกันเขาก็ตั้งสกรฤตลังการ่วมกับทมินในภาคใต้ของลังกาเพราะในอินเดียมีทมินเยอะพวกโจรทมินเน่ยและภาคใต้ของอินเดียกับลังการ่วมกันคิดศักราชของเขาเองเรียกว่าสกรฤตลังกาทมินเขากําหนดวันขึ้นปีใหม่เช่นเดียวกับ ของเราเมื่อสามปีมาแล้วบินไปสีลังกาในช่วงสงการานต์เพื่อร่วมงานาพระาชาปน ก, กิจมหานายกะหรือสันคนายกลังกาพอถึงสนามบินโคลาโบเขาขึ้นไปต้อนรับแฮปปี้สังกรานตินักท่องเที่ยวทุกคนจะเห็นป้ายนี้ มีตีกรองเหว่ยงลังกาด้วยก็เลยถามเขาว่าคุณทำไมเขียนว่าสังกรารติหรือสงการพูดง่ายๆว่าสุขสันวันสงการเนี่ยแปลว่าอย่างนี้เราไม่เคยรู้เลยว่าลังกาเนี่ยเขาก็มีสงการพอไปเห็นก็แปลกใจไปถามพระถามเจ้าหน้าที่ศีลังกาไอ้สังกรารติของคุณนี่คืออะไร เขาบอกวันปีใหม่เราฉลองปีใหม่กันแจกบัตรอวยพรด้วยแล้ววันปีใหม่สงกรานต์ของคูณเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่เขาบอกว่าวันที่สิบสี่เมษายนของทุกปีเขาไม่ได้สิบ4ามสิบสี่ห้าเหมือนเรานะปีใหม่เขาคือวันที่สิบสี่ แต่ปีใหม่ของเรานี่สิบห้าเมษาจึงได้ความว่าอย่างนี้ว่าสกราชลังกาสกราชไทยพม่าก็คือจุรสกักราชนี่เป็นของสากลนะไทยพม่าลาวกัมพูชาเนี่ยถือเอากลางเดือนเมษายนเป็นวันทเล่ศพเหมือนกันอินเดียในอัดส์ทึงนับถือพุษสนาเหมือนกันนะก็นับ สงการในเดือนเมษายนเหมือนเราพวกไทยเอาผมเนี่ยสรุปแล้วพวกไทยพวกคนในแถวนี้เนี่ยนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเขตเนี้ยถือวันสงการเป็นวันปีใหม่เหมือนกันหมดเป็นประเพณีโบราณของคนในถิ่นนี้ไม่ใช่ของพมา่าประเทศเดียวไม่ใช่ของลังกาประเทศเดียว มันเป็นสักการสากลเหมือนทีศสักราชทุกวันนี้ก็เป็นศักราชสากลไปแล้วฉะนั้นเราต้องพูดในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้ตะกียดตะขวงใจบางทีเปิดเข้าไปในข้อมูลบางแห่งยังเขียนผิดว่าเป็นของพม่าอาตม า, มาจึงต้องพูดเรื่องนี้และสะดุดใจเมื่อไปศรีลังกาเป็นเหตุ จึงทำให้ต้องเลิกเชื่อเหมือนกับที่เราเคยถูกปลูกฝังว่ามันไม่ใช่ของเราต่อไปนี้ต้องถือว่าจุลศักราชรเป็นเรื่องสากลเป็นแต่เพียงว่าเราจําจุลศักราชรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรู้หรือไม่ว่าวันที่15เมษายนคือเมื่อวานเราขึ้นปีใหม่จุลศัรราชรใหม่คือจุลศักราชรที่เท่าไหร่ เห็นไหมแล้วยังจะมาฉลองปีใหม่กันีิยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าปีใหม่มันคือปีอะไรถ้าเราฉลองวันที่หนึ่งมกราคมเราจะรู้เลยเปลี่ยนปีใหม่เป็นพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิเดแล้วเราเปลี่ยนจุลศักราชมาเป็นจอส อ, อะไรไม่ใช่จอสอร้อยนะมันคนละคลื่นกัน จสหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปสิบนี่นี่คือจุลักรัดใหม่แฮปปี้นิวเยร์กได้แล้วรู้แล้วเทนี้ที่เรามาฉลองกันเทนี้เมื่อเราจะอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามเราก็จะต้องมีความเข้าใจอย่างทะลุภูโปรงอย่างที่ว่ามานี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองมีคนถามว่า ฉลองปีใหม่แบบไทยๆโบราณนี่ฉรวมถึงในลังกาพม่าเนี่ยฉลองกันอย่างไรเราก็บอกมีรถน้ำมีสาดน้ำมีอะไรอย่างนี้เอ้าแล้วในลังกาเขาไม่ได้สาดน้ำอะ่ะแล้วเขาฉลองกันอย่างไรปีใหม่ในทุกประเทศเขาใช้ภาษาติดสองคำสองคำเวลาทำในเวลาปีใหม่คือหนึ่ง สต็อปอีกคำหนึ่งสตาร์ทสต็อปคือหยุดสตาร์ทคือเริ่มหยุดเรื่องไม่ดีที่มันไม่ดีในปีที่ผ่านมาเคยเป็นคนขี้เกียจจะเลิกขี้เกียจเป็นคนขี้โกงจะเลิกขี้โกงเป็นคนติดสุราที่เมาจะเลิกขี้เมา ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ไม่ดีทิ้งไปนี่คือและเป็นคนอะไรชอบทะเลาะกันใช่ไหมมีปัญหาทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลิกทะเลาะกันสต๊อปและอภัยกันทีลืมและให้อภัยกันถ้าไม่มีการให้อภยัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลําบากจัง ความผิดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวตนสต๊อปหยุดทะเลาะกันหยุดแบ่งสีเหลืองสีแดงสีอะไรให้หมดละลายเป็นน้ําสีเดียวกันหมดหยุดแบ่งเป็นเธอเป็นฉันเป็นพวกนั้นพวกนี้เป็นพวกเดียวกันปีใหม่เราเริ่มใหม่ทําอะไรใหม่หลังกาเขาถือเป็นสีมงคลนะ ว่าถ้าในวันที่14เมษายนเนี่ยใช้ของใหม่ๆแล้วชีวิตมีแต่ความเจริญเพราะฉะนั้นในวันสงการานเนี่ยเขาจงใส่เสื้อผ้าใหม่คนไทยแต่โบราณก็ให้เราใส่เสื้อผ้าใหม่เป็นลายใช่ไหมเป็นลายๆต่างๆเนี่ยเพราะปกติเราไม่ใช้ลายนี้พอวันสงการานเราใช้เสื้อผ้าใหม่และเป็นสรีมงคล เสื้อผ้าใหม่ข้าวที่กินต้องข้าวใหม่ในวันปีใหม่ของศรีลังกาไปทําบุญนี่ใช้ข้าวใหม่หุงนะภาชนะต้องซื้อใหม่อีกพวกหม้อพวกอะไรต่างเนี่ยมาซื้อปีใหม่และธนาคารที่ศรีลังกาเปิดครึ่งวันก่อนเที่ยงปิดปิดเที่ยงทําไมให้แลกแบงก์ใหม่ไปแจกแตเอียกัน ทำบุญแบงค์ใหม่นะโยมวันนี้เจริญเริ่มสิ่งใหม่แม้กระทั่งขึ้นบ้านใหม่เขาก็เอาวันปีใหม่แต่ที่เหมือนกันกับเราคืออะไรไหมคนออกไปชนบทรถติดเหมือนเรานี่แหละทั้งพมา่าลังกาไทยอะไรเหมือนกันเลยออกไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ไปไหว้พระลดน้ำดำหัวไม่ลืมของเก่า วัฒนธรรมชนบทอะไรที่ดีงามเขาก็ทำกันฉะนั้นในช่วงปีใหม่แม้เราจะเริ่มสิ่งใหม่เราก็ไม่ลืมของเก่าวัดประยุรวงศาวาสเนี่ยให้อนุรักษ์สิ่งเก่าที่ดีงามเอาไว้งานสงการานต์นี่ญาติโยมทั้งหลายคงจำได้แต่ก่อนไม่มีนะอย่างนี้ที่เรามานั่งกันอย่างนี้วัดประยูนไม่ได้จัดนะ เวทีกลางมาสงน้ำพระธาตุมาฟังพระบรรยายมาส่งน้ำพระอย่างนี้ไม่มีการพูดอย่างนี้มีสงน้ำพระบนสลาบ้างเราต้องการให้วันสงการานต์เป็นเรื่องเป็นเหล่าเมื่อสิบปีที่ผ่านมาจึงจัดนี้อย่างนี้ขึ้นและก็มีบรรยายธรรมมีสวด อุทิศส่วนกุศลบันพบรุษทำบุญรวมยากแล้วในที่สุดเมื่อวัดประยุนยทำมาเป็นร่บเป็นสันเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเราก็เชื่อมกับวัดใหญ่ๆทั้งสีวว่วัดอีกสามวัดวัดโพวัดอรุณวัดกระยาเรือวิ่งวนเห็นไหมมันมีการพัฒนากันนี่คือของใหม่เราไม่ได้ทำเฉพาะวัดประยูนเราเปิดเปิดวัดนะชุมชนย่านกะีจีนเข้ามาเกี่ยวข้อง วัดพัฒนาโดยส่งเสริมของเก่าในย่านกรดีจินสองเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญบางคนเนี่ยไม่ได้สนใจนะโบราณเขาบอกทีรอดตาช้างห่างรอดตาเลนเรื่องใหญ่ๆนะไอเรื่องทีทีเล็กๆ เ, เนี่ยช้างมองไม่เห็น แล้วอย่าเป็นช้างตลอดเวลานะมันจะมองข้ามเรื่องเล็กๆที่สาคัญส่วนห่างคือใหญ่มากไอ้ตัวเล็กๆก็มองไม่เห็นตามไม่ทันห่างลอดตาเลนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเริ่มทำใหม่ๆคนก็คัดค้านจะมาจัดงานอย่างนี้รวมกันอย่างนี้ทำไม อ, อ, อยู่มาก็ดีแล้วพวกเลนก็จะคัดค้าน เพราะเขาไม่ได้มองภาคกว้า ง, างไม่ได้มองคิดไปถึงชุมชนจัดก็จัดจะเพราะว่าไปยูนยทาไมต้องหกชุมชนทำไมต้องไปเชื่อมฝั่งโน้นฝั่งนี้พวกเลนจะมองไม่เห็นเลนตัวเล็กๆ เ, เนี่ยเหมือนไรเลนเนี่ยมองอะไรที่มันห่งหางๆเนี่ยตาเลนมองไม่เห็นเราก็จะต้องอธิบายให้พวกเลนเข้าใจส่วนพวกช้างอีกนะมองแต่เรื่องใหญ่ เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำไอ้นี่พวกช้างตาช้างมันใหญ่เพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยเป็นยังไงออกจากบ้านทุกวันเลยไปทำงานรายได้ปีละล้านสองล้านมื่นล้านลืมลูกที่บ้านปล่อยลูกอยู่กับคนใช้แล้วไปยังไงได้คนใช้เพิ่อมอีกคนหนึ่งทั้งกิริยามารยาท ทั้งภาษาไอ้พวกตาช้างทั้งหลายมันมองไม่เห็นเรื่องเล็กๆและไอ้พวกนี้แหละที่ทำลายวัฒนธรรมที่ดีงามในอดีตเมื่อเป็นรัฐบาลโดนตีไทยเนี่ยเกือบศูนพันธ์นะท่านนะใครดูเรื่องโหมโรงบ้างละ่ะในสอนศิลปะบัลเลงเนี่ยเกือบพังเนละเพราะไปชนกับพวกตาช้างตาใหญ่ รัฐบาลห้ามเล่นดนตรีไทยห้ามนั่งพระเพียบเลยนะจะเล่นลิเกต้องนั่งเป็นเรื่องไปแลว้วเพราะฉะนั้นดนตรีไทยจะเล่นโดยไม่ขออนุญาตไม่ได้มันล้าหลังมันทำลายความมีหน้ามีตาของประเทศไทยไม่เป็นอารยะจนดนตรีไทยนี่เกือบศูนย์พันดีที่ ว, วัดประยูร น, นี่ก็ยังมีตระกูลพฑทยโกศลอยู่นะ เป็นหน้าเป็นตามีศิลปะบรเลงมีอะไรต่างๆมาฟื้นกันหลังจากจอมพลปนี่ตาชางมันทำลายไอ้สิ่งเล็กๆในน้อยที่เป็นสาระที่สาคัญแล้วทำไมพระจะต้องส่งเสริมดนตรีไทยงานศพทำไมให้มาบรรเลงกีฬามอนดนตรีไทยอถ้าไม่ส่งเสริมดนตรีไทยจะให้มาบรรเลงดิสโก้ในวัดงานศพหรื อ, อยังไง คนไทยเล่นดนตรีไทยนะ่ะดีแล้วมันจะได้รำให้ถูกท่าร้องให้ถูกทางมันจะต้องมีสติใจเย็นเด็กไทยเนี่ยถ้าเล่นดนตรีไทยนะจะไม่ขับรถเร็วหรอกขับรถช้าเพราะมันมีเหมือนกับดนตรีไทยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไหนขับรถเร็วพูดปาพูดปาจับมาเล่นดนตรีไทยให้หมดมาราไทยด้วย มันจะได้มีสติไงสติมันจะได้รู้ว่าเมื่อไรจะต้องรำให้ถูกจังหวะเป็นอย่างนี้ที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะท่านผู้หนึ่งเล่าให้ฟังท่านผู้นี้เนี่ยไปออสเตรเลียเป็นคนไทยเนี่ยนะเคยบวชเป็นอาจารย์กรรมฐานแต่สึกไปไปเห็นแหม่มคนหนึ่งเดินสวนมาเอ๊ะทาไมแหม่มคนนี้ เดินเหมือนสาวไทยหน้าตาเป็นคนออสเตรเลียนะแต่เดินเหมือนสาวไทยจังเลยเจิงเข้าไปซักถามไปคุยเพราะแกผู้สังเกตได้และแม่มคนนั้นก็อยากจะคุยกับคนไทยด้วยถามไปถามมาถึงได้รู้ว่าอ๋อแม่มคนนี้เธอผู้นี้เนี่ยที่เดินเหมือนสาวไทยเนี่ยเพราะเข้าวัดไทย ปฏิบัติกรรมฐานซ้ายย่างหนอขวา ย, ย่างหนอเลยเดินเชื่องช้าเหมือนอเจ้าแต่ไม่ใช่อเจ้าม้าดีกระโลกนะกุลสตรีมีสติโดยไม่รู้ตัวหรอกแมมคนนี้ก็เดินหนวยหน้าเชื่องช้าเหมือนสาวไทยศิลปินเขาจะดูออกสติจึงเป็นพื้นฐานของความงามแบบไท ย, ไทย สาวไทยอเจ้าโดนตรีไทยเพลงไทยเดิมและถ้าเราไปทำลายสิ่งเหล่านี้เท่ากับทำลายรากฐานของวัฒนธรรมไทยจึงไม่แปลกแล้วตอนนี้เนี่ยรัฐบาลกระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมให้แต่งชุดอเจ้าแต่งไปประจำจะได้เดินช้าๆลงใจเย็นลงเนาะไม่ทะเลาะ ก, กันไม่ตบตีกัน ผู้ชายก็นุ่งจุงกระเบนเร็วมากมันก็นหลุดจะได้ช้าลงสโลดาวสโลไลฟ์ Slow down, Slow ชีวิตคนไทยแต่โบราณไม่ต้องเอาเรื่องสโลไลฟ์มาสอนเลยชีวิตที่ความเร็วมันลดลงจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวดูแลลูกหลานมีเวลาไปวัดทาบุญเดี๋ยวนี้นะ่สวดมนต์ยันก็ไม่ได้นะเออ ลูกพี่เอาจบเดียวจะรีบโอ้ขนาดทำบุญให้ยากนะคุณจะรีบไปตายที่ไหนเห็นไหมเท่นี่ก็ย า, ยาวเอาสั้นๆเดี๋ยวหยุดแหล ะ, ะเดี๋ยวจะบนพวกนี้มันจะบนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมความว่าถ้าชีวิตของเราแบบไทยแท้เนี่ยแต่โบราณเนี่ยเราจะทำอะไรช้าลงเพราะวิถีชีวิตวัฒนธรรมมันให้ช้า ถ้าเร็วเราทำพลาดหมดเลยนะเร็วไม่ได้ไม่ว่าจะดนตรีไทยแม้กระทั่งภาพผาผนังเข้าไปดูสิโบสถ์ไม่เคยมีภาพจิจกรรมฝาผนังมาหกสิบปีละตอนนี้เสร็จแล้วเหลืออย่างเดียวเอาทองไปลงไปดูภาพจิจกรรมฝาผนังเด็กๆสมัยใหม่ไม่อยากดูหรอกดูไม่รู้เรื่องหนึ่งสองภาพมันติด ก, กันเป็นพืชหมดแต่ถ้าโยมดูเป็นนะ มองพินิษให้ดีนะเข้าไปในโบสถนะดูภาพซ้ายขวานะซ้ายมือนี่เป็นภาพพระเจ้าสิบชาติห้าชาติเขาแบ่งเป็น ต, ตอนตอนนี้มหาชนกเรือล่มถามโยมว่าถ้าเสร็จให้ดูไปถามว่าภาพมหาชนกเรือล่มอยู่ตรงไหนบอกใบให้ได้อยู่ด้านซ้ายภาพขวามือเป็นพระเจ้าห้าชาติอดีต มีแต่ละชาติก็แบ่งกันพระสุวรรณสามพระเวสสันดรพระเวสสันดรชูชกจะอยู่ขวามือและตรงข้ามพระประธานเป็นผ้พพระจนมาร น, นะแม่ทรณีบีบมวยผมเนี่ยลายลายไทยที่วาดเนี่ยละเอียดยิบเลยนะคนวาดต้องมีสติมีสมาธิต้องใจเย็นจึงจะวาดได้ และคนดูอย่างพวกเราน้ยนะจะทราบซึงภาพลายไทยนีย่ต้องเพ่งพินิษด้วยสติสมาธินะไม่งั้นจะไม่เห็นความงดงามความประณีตบรรจงเข้าไปในหอประชุมที่มีลายไทยเนี่ยบางทีมไม่ต้องอะไรแค่นั่งดูเพดานดูลายกระหนกดูอะไรต่างเคยทราบซึ้งกับบานบานหน้าต่างของหลวงพ่อพุทธนาถมังไหมใครเคยได้ดูไหม ภาพผาผนังโบสถ้ที่เขามาถ่ายภาพกันเนี่ยสวยงามมากๆเลยอยู่มาเนี่ยคนไม่เคยดูเลยพอเขามาบูรณะเสร็จเนี่ยใครไม่เคยดูนะอ๋อเจ้าไปดูสนามเดินผ่านๆไปเนี่ยนั่นแหละคือคุณค่าแบบไทยๆแล้วอยู่ๆเนี่ยพระสมัยใหม่บางทีไม่รู้ลื้อเลยนะทิ้งหมดหน้าบันสวยๆเนี่ยแล้วไปทำแบบฝรั่งเป็นเรียบๆเลยผลคืออะไรรู้หัหย ทำลายคุณค่าสถาปัตยกรรมไทยความงามที่จะส่องทราบซึ้งด้วยสติสมาธิเราต้องนั่งเพ่งนั่งจ้องนะต้องมีความรู้นะจึงจะทราบซึ้งในเรื่องแบบไทยๆฉะนั้นการอนุรักษ์บูรณะต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งตั้งแต่พระเจดีย์เขาหมอมาจะถึงโบสถ์วิหารการประเรียนเนี่ยเราคำนึงถึงคุณค่าแบบไทยๆ เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ทราบซึ้งในสุนทรียะแบบสติสมาธิและถ้าใครใจร้อนนะจะไม่เห็นอะไรเลยดูแต่ไม่เห็นฟังแต่ไม่ได้ยินทีลอดตาช้างเพราะท่านไปสนใจแต่กำไรขาดทุนเรื่องใหญ่ๆไม่สนใจคนอยู่ข้านเคียงไม่สนใจสิ่งแวดแล้อมไม่สนใจวัฒนธรรมฉะนั้นคนไทยทุกวันนี้ ฝึกมองแคบเล็กลงไม่ใช่มองแคบมองให้มันเล็กลงอย่าให้ทีทีมันลอดตาชานอย่างท่านทั้งหลายและพวกตาชานตากว้างมีวิสัยทัศน์กว้างไกลหัดมองที่เล็กๆ ล, ลงบ้างส่วนพวกที่เล็กๆ ก, ก็มองใหญ่ๆตามท่านไปบ้างมันจะได้ผสมผสานกันมอง ในปัจจุบันมองอดีตด้วยมองอนาคตอย่าให้มันลอดตาช้างลอดตาเลนแล้วอยู่ในชุมชนหกชุมชนเนี่ยจากันก็ไม่ได้นะว่าชุมชนอะไรบ้างจะเอาว่าจาได้ชุมชนวัดประยุทธ์เป็นพุทธชุมชนวัดกะละยาเป็นพุทธชุมชนวัดปุภารามนี่สามชุมชนเป็นพุทธชุมชนลงครามเป็นพุทธสี่ชุมชน ถัดไปนี่ชุมชนกดีจีนกุดีจีนโบสถ์ซารตะครูสเป็นคริสตเลยไปตรงนู้นติดคลองหลวงมัสยิดบางหลวงหรือมัสยิดกุดีขาวเป็นมุสลิมเราไม่ใช่มองแต่ทางนะเนี่ยลอดตาเลนดูแต่ชุมชนพุทธเราดูว่าข้างข้างเราก็มีชุมชนคริสชุมชนอิสลามพัฒนาไปด้วยกันฮกชุมชน มีของดีอะไรซู้มก็ไปอีกโยมรู้ไหมในชุมชนวัดประยูนเนี่ยมีหมูกระดาษหมูตัวแดงแดงเนี่ยนะหมูกระดาษตัวแดงแดงเนี่ยสมัยก่อนไม่มีใครสนใจเลยราคากี่บาทกี่สตางค์ก็ไม่รู้ไปสนใจแต่ซื้อกระปุกอมสินแต่พอมาเรารวมเป็นหกชุมชนคนต่างชุมชนมาถามหาหมูกระดาษวัดประยูน พระวัดประยูย์ไม่รู้เรื่องอายเขาไหมเดี๋ยวนี้นะเราส่งเสริมหมูกระดาษวัดประยูนยเขาเรียกหมูกระดาษวัดประยูนอยู่กับวัดประยูนยมากี่ปีล่ะถึงเนี่ยวัดประยูนร้อยปีแล้วแต่เราไม่เคยสนใจคนที่ทำหมูกระดาษรุ่นปัจจุบันเนี่ยคือป้าน้อยเนี่ยทำมาสี่สิบห้าสิบปีพ่อก็ทำมาก่อนนะั้นรวมแล้วเป็นร้อยปี เป็นหมูกระดาษพิเศษอย่างไรไม่พูดนะนะไปดูเอาเองเดี๋ยวนี้ให้ทำเตาด้วยนะเตาสีแดงวัดประยูนหมูกระดาษวัดประยูนแข็งมากใส่เงินใส่อะไรกระปุกออมสินดีๆนี่แหละแต่มันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาทำมาเป็นร้อยปีเราก็ส่งเสริมอนุรักษ์เลยไปตรงนั้นโบสถ์สังตะครุฑขนมฝรั่งกุดีจีน ขนมฝรั่งกุดีจีนบอกเป็นคลิปไม่สนใจมันขนมไทยแล้วท่านทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมหม้ อ, อกแกงขนมฝรั่งกุดีจีนมีที่มาอันเดียวกันเพียงแต่ยังอื่นไปเรียกขนมหม้ อ, อกแกงไปเรียกทองหยิบทองหยอดแต่ตรงนี้ยังเรียกขนมฝรั่งมีที่มาอันเดียวกันคือคนคิดคนเดียวกันหมดใครรู้บัทองกีมา เท้าทองกีบม้าเป็นคนทำขึ้นเราเรารู้จักในนามว่าเท้าทองกีบมา้าเท้าทองกีบม้าทำตอนไหนล่ะตอนที่สามีเขาเสียไปแล้วเจ้าพยาวิเชยนฟอนค่อนเนี่ยเป็นชาวกรีกนะแล้วเป็นที่โปรดของพระนารายถูกจับประหารตอนนั้นเน่ะทองกีบมาอายุยี่สิบต้นต้นเป็นไม้ สามีเป็นสมุหานายกเทียบเท่านายกรัฐมนตรีนะตำแหน่งฟอนค่อนตอนที่พระเพทราชาจับฆ่าตายเนี่ยเป็นสมุหานายกคือเป็นนายกรัฐมนตรีฝ่ายพลเรือนคุมพลเรือนทั้งประเทศและคู่กับสมุหกะลาโหมนายกรัฐมนตรีฝ่ายทหารฟอนค่อนถูกนายกรัฐมนตรีฝ่ายทหารปฏิวัติยึดอำนาจค่าตายทองกีมา ตกกระป๋องแกมีทรัพย์สินของเจ้าพยาวิชเวยเยนเะยอะเนอะเพราะรวยมากนะพี่พยาวิชยเยนเนี่ยเก็บทองเก็บเงนินเก็บอะไรไว้เยอะทองกีมาเนี่ยชื่อมารียกีมาเนี่ยเราเรียกทองกีมาหรือทองกีปมาเนี่ยรวบรวมทรัพย์สินของสามีเนี่ยเป็นกองเลยเมื่อสามีถูกข้อหารกระบฏจะต้องถูกประหารและลรีทรัพ์ ทรัพย์สินของเธอทั้งหมดของสามีทั้งหมดต้องเข้าคลังหลวงทองกีมาก็รู้ชาตากรรมก็รวบรวมทรัพย์สินเนี่ยเอาไปซ่อนซ่อนแล้วกะว่าตัวเองจะกลับไปฝรั่งเศสหรีภัยก็เอาเงินทองที่สะสมเยอะๆเนี่ยไปฝากนพลของฝรั่งเศสชื่อเดอฟาชขุมป้อมอยู่ที่อายุทยานี่นะให้ รักษาแทนสามีเขาเขับเป็นเพื่อนกันกันกบพระเจ้าพิยาพิเยเชยนวิเชเยนฟอนค้อนในพ้นเดอร์ฟาสงบกิฟอเอาไปของตัวเองหมดเลยไม่ยอมให้แล้วขนทหารจากอายุธยากลับยุโรปแกไปตายอยู่ที่แอฟริกาเงินไม่รู้หายไปไหนของทองกีมาเนี่ยเธอจึงเขียนหนังสือถึงพระเจ้าหลุยที่สิบสี่ เป็นจดหมายทวงเงินก้อนนี้แหละหนังสือนี้ยังอยู่เราจึงรู้เรื่องนี้จากจดหมายฉบับนี้เมื่อหมดเงินสามีก็ถูกฆ่าตัวเองก็อยู่อย่างอนาถาตอนแรกติดคุกตอนหลังไปทำงานเป็นคนใช้อยู่ในวงังเป็นที่ถูกใจของขุนหลวงศรศักด์ในเดือนนั่นแหละ มาเตียกล่อมเอาภรรยาของฟอนคอนให้เป็นสนมเธอไม่ยอมก็เลยถูกทั้งลูกของขุลวงสรสักด์ทั้งสรทักษ์ปองร้ายลำบากในยุคของพระเภศราชาจนพระเจ้าเสือได้เป็นพระเจ้าพดิษอีกรวมแล้วยี่สิบปียี่สิบปีที่ทองกีมาเนี่ยบางครั้งไปอยู่ในคอกม้าถูกจองจำทุกทรมานแสนสาหัส ยี่สิบปีจนถึงประมาณอายุสี่สิบเศษหมดสองหมดไปสองรัราชากาลรัชกาลพระเภศราชารัชากาลพระเจ้าเสือสองแผ่นดินรวมแล้วยี่สิบปีมาถึงรัชากาลที่สามพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสามีแล้วใช่ไหมกับพญาวิญญาเนี่ยจึงได้รับธรรมหากรุณา ให้ไปเป็นพระวิเศษแปลว่าแม่ครัวพ่อครัวในวันตําแหน่งพระวิเศษเสถะแปลว่าครัวเนี่ยพ่อครัวเนี่ยมีตําแหน่งฝ่ายของขาวกับของหวานเธอได้ไปอยู่ในแผนกของหวานทําอาหารหวานถวายพระเจ้ า, จาอยู่หัวท้ายสัพระอาหารหวานที่เธอทําถวายเนี่ย เป็นที่โปรดปรานบางคนว่าตําแหน่งนะั้นชื่อเท้าทองกีบมา้าแต่ไม่มีหลักฐานบางคนว่าเอามาจากคาว่ากีบม้านั่นแหละเป็นกีบมา้าจะชื่อมาจากไหนก็ตามทําอาหารไปถวายพระเจ้าอยู่หัวไทยศะใ น, นในฐานะเมฆครัวในวังเป็นที่โปรดปรานเธอก็ประดิษฐ์ของหวานที่ไม่ใช่ขนมไทยๆในสมัยนั้นประยุกต์เท่ากับของฝรั่งโปรตุเกส ที่ใช้ไข่ใช้แป้งใช้อะไรต่างๆแบบนี้มันก็จะเกิดทองหยิบฝอยทองสารขยารวมถึงขนมฝรั่งกุฎีจีนเนี่ยซึ่งสูญหายจากที่อื่นแต่ครอบครัวโปรตุเกสที่อยู่ที่นี่รักษาสืบทอดมาจากเท้าทองกีมาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อยู่ที่ชุมชนของเราใกล้ๆเราเนี่ยจนปีนี้ได้รับจดทะเบียนโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะขนมฝรั่งกุฎีจีนเนี่ย ต้องอนุโมทนาที่กระทรวงวัฒนธรรมไม่เป็นห่างรอดออทีรอดตาช้างยังส่งเสริมฉะนั้นพวกเราที่อยู่ที่นี่ในชุมชนเนี่ยอย่าให้เรื่องทีๆมาลอดตาช้างอย่างพวกเรามองแต่ภาพกว้างอย่าให้เรื่องใหญ่ๆเรื่องห่างๆเรื่องนโยบายของประเทศสี่จนศูนย์มันมันห่างจากตาเล็มอย่างพวกเรา เราทั้งเอาเรื่องทีเรื่องหางมาผสมผสานอดีตปัจจุบันอนาคตให้เจริญไปด้วยกันเป็นจิตวิญญาณแบบไทยแต่ใช้เทคโนโลยีฝรั่งไม่มีใครว่านั่นก็ตรงกับพุทธศาสน ส, สุภาษิตที่ว่าปุรานันนาพินันไทยนะณเวขันติมะกุภเย อย่าหลงของเก่าอย่าเมาของใหม่การจัดงานวันสงการนี้ก็เป็นไปตามพุทธประส า, าสนสุภาษิตนี้และชื่อว่าเราเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าตามพุทธศาสนสุภาษิตที่พระองค์ประทานเอาไว้เราได้มาทำบุญทำกุศลในวันนี้ หลังจากที่ทำบุญทำกุศลมาสามวันหรือก่อนนี้แล้วโดยเราไม่ลืมของเก่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับท่านทำคุณงามความดีอะไรไว้เราก็นำอัฐิของท่านมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลเรียกว่าทำบุญรวมญาติเราไม่ลืมผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เรากลับไปเยี่ยมท่านลดน้าดาหัวขอพร ในขณะเดียวกันเราก็ไม่กอดของเก่าจนไม่รับสิ่งใหม่เข้ามาสิ่งใหม่ๆที่เรารับเข้ามาเป็นวัฒนธรรมของเราอาจจะไม่มีในสมัยก่อนแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเราก็นำมาทำไว้อย่างเช่นบัตรอวยพรใน ปีใหม่เราส่งแต่สงการเราไม่ส่งคนมันก็ลืมอย่างนี้ในลางกาเขาส่งมีสุขสันวันสงการส่งบัตรด้วยนะส่งบัตรในวันสงการส่งเป็นบัตรใส่ซองเป็นแผงส่งทางลายก็ได้สุขสันวันสงการแฮปปี้สสงการแล้วแต่อะไรก็ตาม แล้วก็สวดมนต์ข้ามปีนะปีนี่มันจะการถื้นกลางวันก็แล้วแต่นะเรามาสวดวันสงการกันด้วยต้องไม่มีใครว่าอะไรรับสักการะใหม่ด้วยวิธีการใหม่ๆเพิ่มเข้าไปจัดสงการมาหลายปีนอกจากสงน้ำพระจัดกัางวันแล้วตอนหัวข้ามจะจัดอีกเพิ่มเข้าไปอีกเป็นสิ่งใหม่ก็ไม่มีใครว่า วัดอาจจะนําไปคิดไปปรึกษากันและอาจจะมีสิ่งดีๆงามเพิ่มเข้ามาก็อยู่ที่พวกเราได้ช่วยกันคิดไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่ผสมผสานให้ถูกต้องอย่างวันสงการานต์เราไม่ได้มีแต่เรื่องสวดอุทิศส่วนกุศลอย่างเดียวผู้มาที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมฟังเจ้าอาวาสวัดประยูน บรรยายธ ร, รมนี่ก็เป็นของใหม่ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่นี่เป็นคติธรรมในวันสงกรานต์และเป็นสโลแกนในการพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 ต่อไปก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่พวกเราทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญให้เป็นไปจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิศเป็นส่วนกุศลไปให้บุ พ, รร ก, พการีชนผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นมิว่าสถิตอยู่ณสถานใดพบใดขอได้โปรดอนุโมทนาบุญเพื่อสาเร็จเป็นอิทธวิบากสุขสมบัติทิพยสมบัติ ในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารพทุกประการอันนึ่งขออนุภาพแห่งคุณพศรรีรษะนตรัยบุญญาอนุภาพและอนุภาพแห่งบุพก า, ารีชนผู้มีพระคุณทั้งปวงทั้งแกวัวประเทศชาติพระาศาสนาจงมาปกปักรักษาคุ้มครองดูแลให้ทุกท่านแขวค่ า, าปราศจากทุกโศกโรคภยัยอุปทวนรายทั้งปวง ถึงซึ่งความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวันนะสุขภะพระปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้รำก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสาเร็จจงพันสาเร็จตลอดปีใหม่และตลอดไปทุกท่านทุกคนเทิน